มาใกล้ๆฟังมันจึงได้ยินถ้าไกลแล้วฟังมันไม่ได้ยินแต่ได้ยินก็ฟังกระจาไม่ได้เพราะไม่รู้ขบหมายดังนั้นจึงในมูลอย่างาใกล้ๆเพื่อนภิกษุสมะเนรและญาติโยมทุกทุกคนตั้งใจฟัง <c oughs> วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้า ตรงกับวันแรมสามค่าเดือนสิบเอ็ดที่เราเปิดอบรมกันมาตั้งแต่วันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าตรงกับวันแรม1่คําเดือนสิบเอ็ดผมได้พูดกับเพื่อนและญาติโยมเอาไว้ว่าผมจะเดินทางมาถึงภายในวันที่สิบหกสิบเจ็ด เราเนี่ยอยาให้มาทันในงานนี้แต่ทางวัสนามไนมีงานเลยไม่ได้มาเพราะงานยังไม่เสร็จก็มาไม่ได้งานวัสนามไนเมื่อวันที่สิบเก้าเขามีกระถินถวายพระไว้จำเป็นก็ต้องอยู่วันนี้ผมได้ออกจากวัสนามไหนประมาณ ม่สองโมงนี่แหละก็มาถึงที่นี่ในระยะเวลาประมาณสี่โมงกว่านี่แหละมาถึงวันนี้จึงถือโอกาสและมีเวลาที่จะมาพูดคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมะหรือการเจริญสติเจริญนิพพานคำว่าปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติที่ตัวเราท่้นเอง ให้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจจะริญนสติก็จะเริยนให้มีคมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจให้มีสติปัญญาแจ่มใสหรือควมคิดคมเห็นแจ่มใสเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วจะพลาดผิดน้อยหรือไม่พลาดผิดถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้ว ก็มีความสามารถยืนยันรับรองได้ไม่ไปยืมแท้งยืมขาคนอื่นมาเดินไม่ไปยืมคำพูดของคนนั้นคนนี้มาพูดอันที่เรารู้จริงสิ่งที่เรารู้ไม่จริงนั่นจำเป็นต้องยืมคำพูดของคนอื่นมาเล่าสู่ฟังหรือยืมแค้งยืมขาคนอื่นมาย่งางมาเดินสำหรับผมบางคนอาจจะรู้จัก บางคนอาจไม่รู้จักผมพ่อแม่ให้ซื้อให้น้ำเอาไว้วะแต่เมื่อยังเด็กเกิดออกมาแล้วทั้นก็บอว่าเด็กสายพันดินทะผิวเกิดที่บ้านบุกมตำบลบุกหมอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยเกิด ว, วันที่ห้าเดือนกันยายนพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบส ท่านว่าอย่างนั้นแต่จะพิดจิตรผมไม่เข้าใจเพียงท่านเราสูฟ่ฟังวันนี้ที่ทัดนึ่งขวนเนี่ยได้เปิดอบรมธรรมะมาแล้วผมมาอยู่นิติแรกที่สุดก็ ม, มีพระเนนติดตามมาอยู่หลายองค์ก็เปิดอบรมกันเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าคำเป็นมื้อประวรลนาแต่เดือนสิบเอ็ดแลมึงําต้องเปิดอบรม สำหรับทับมืดหัวในทุกปีผมมาอยู่สองปีปีที่แล้วนี่หลวงพอ่อซัดหลวงพอ่อซัดมาอยู่นี่ท่านก็เปิดอบรมเมืม่อวันแรมหนึ่งค่าเหมือนกันปีนี้พวกหลวงพ่อผมมาหลวงพ่อสมบูรณ์หลายท่านที่มาอยู่ที่นี่กเปิดอบรมวันแรมหนึ่งค่าเดือนตีเอ็ดเหมือนกัน แต่ว่าสำหรับทัพมิขวรเนี่ยผมคิดว่าจะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติถ้าหากผมยังมีชีวิตอยู่นั้นทุกปีเพื่อนภิกษุสมมเนรและญาติโยมฟังเอาไว้จะเปิดอบรมเมื่อแลมหนึ่งคำทุกปีจะไม่ยกเวน้นถ้าหากผมยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเดิมมันแม่วันกับพอวันเปิด อบรมที่บ้านที่สวนเนี่ยทับม่ควรเนี่ยสองปีก่อนที่ผมมาอยู่ที่แรกเมื่อผมมาอยู่ผมก็ทำหน้าที่อันนี้มาเป็นการดำรงวงศุลหรือเป็นการซื้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปการเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่เราไม่ใช่เปิดแล้วเอากันมาพูดมาคุยมาเล่นไม่ใช่อย่างนั้นคือมาแล้วต้องมีครูมีอาจารย์ผู้เสี่ยวสาลหรือผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงมาแนะนำให้เราเราต้องประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำของครูอาจารย์นั้นให้เราเกิดสติปัญญาความเห็นแจ้งรู้จริงเพราะการฝึก ผลอบรมตัวเองจิตใจแจ่มใสปัญญาแจ่มใสว่องไวดีและตัดสินใจจะทำอะไรก็พลาดผิดน้อยเพราะปัญญาแจ่มใสดังนั้นวันนี้จึงมาพูดกันเรื่องปฏิบัติธรรมะโดยเฉพาะคือเบื้องแรกผมเป็นเนรอายุสิบกว่าปีผมได้ทำกรรมาฐานมา วิธีทมที่แรกต้องเป็นวิธีพุทโธหายใจเขาพุทหายใจอกโทผมทำมาเรื่องนี้จริงว่าใครจะพูดยังไงผมฟังได้ต่อมาผมได้มาทำวิธีสัมมาอรหรังและต่อมาผมก็ได้ทำวิธีนับหนึ่งสองสามวิธีพองนุกวิธีอาณาปานาสติเรียกวดูลมหายใจ เข้าสั้นออกายาวลมญาบลมละเอียดเนี่ยผมได้ทำมาพอสมควรนึกพอแม่พี่น้องเพื่อนฝูงพระภิกษุสมณีญาติโยมทุกคนต้องทาเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองถ้าหากว่าเราไม่รู้เองไม่เห็นเองไม่เข้าใจเองแล้วมีคนมาถามอาจะสงสัยอย่างที่ผมเกิดเนี่ยพอแม่เราให้ฟังว่า ผมเกิดวันอังคารขึ้น13ค่ำเดือน10ปีบุญอันนี้ผมประจำมาไม่ใช่ผมรู้เองเห็นเองนะพอแม่เราให้ฟังประจำมาบางทีผิดก็ได้ถูกก็ได้เรื่องการเจริญหรือทำให้มีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงนั้นผมได้ทำวิธีการเคลื่อนไหวนี่ผมรู้จริง ไม่ยืมคำพูดใครมาพูดทั้งหมดเลยผมเอาความพูดผมเห็นความเข้าใจของผมเองมาเล่าสู่ฟังใครต้องการก็ทำถ้าใครไม่ต้องการแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไว้จำไว้บางทีบาทมีโอกาสมีเวลาครั้งหน้าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามไปดังนั้นการทำความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งสำคัญอย่างใดอาจจะมีความสงสัยอย่างนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งที่ไม่เคยรู้ผมรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นผมเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจผมเข้าใจเมื่อรู้เห็นเข้าใจทราบซึ่งตึงใจแล้วไม่หลงไม่ลืมพูดเรื่องการเห็นการรู้การเข้าใจผมทำพลิกมือขึ้นคั้วมือลง ยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวากอนน้ำลายลงไปในนำคอของให้รู้สึกตัวแนบพิษตาก็ให้รู้ความรู้สึกอันนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นความไม่รู้มันหายไปมันจางไปควมรู้มากขึ้นมากขึ้นมันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดปัญญา เกิดมีแสงสว่างในใจแต่ไม่แสงสว่างคือแสงเทียนแสงตะเวนนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่พลาดผิดรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆดังนั้ น, น, นการรู้ก็รู้ ร, รู้รู้นานี่เองทีแรกแต่ทำจังหวะจึงรู้เมื่อไม่ทำจังหวะไม่รู้เพราะผมไม่รู้ทําทำพุโทโธ หรือนับมือสองสามสัมมาอาลัหังพองยุกอาณาปานสตินี้ผมผมบารูหรือผมไม่รู้ใครจะรู้ก็เรื่องของคนอื่นผมรู้เรื่องนี้ผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังรู้รูปรู้นามนี่เองรู้ก็ได้ไม่ได้รุ่นอื่นเลยรูปก็ของเรานี่เองรูปเรานี่เนี่ยรูปทำนามทมรูปโลกนามโลก ลูกโรกนามโรคมีสองอย่างด้วยกันคือโรคทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องเป็นบ้านเป็นแผลนี่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลเซ็กร่างกายแล้วหมอจะให้ยาเมื่อให้ยายมากินบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็ตายก็เป็นนะนี่เป็นยางน้นโรคทางจิตใจแบเนี่ยแต่ร่างกายลูกนามนี่ ไม่เป็นอย่างไม่คาว่าไม่เป็นอย่างเนี่ยไม่เป็นอะไรหรือไม่เป็นไรไมันมันเป็นคำหมายคำพูดจริงมันเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ความจริงแล้วธรรมะนั้นเคลื่อนไหวไม่ได้รู้ยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นจิตวิญญาณเป็นโลกคือมันมีพ อ, พอใจมีไม่พอใจมีดีใจมีเสียใจหัดเคืองใจหรือว่า ไม่ชอบใจหรือชอบใจอย่างนี้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกทํายังไงจึงจะหายต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้จิตใจแจ่มใสให้จิตใจว่องไวเมื่อจิตใจแจ่มใสจิตใจว่องไวแล้วสามารถที่จะตัดหรือจิตใจที่สุกปกนั้นทิ้งเป็นอย่างนั้นเมื่อรูปโลกนามโลกรู้ดีแล้ว ก็รู้สมมติรู้ทุกขังอันิจังอนัตตานี้เองทุกขังอันิจังอนัตตาก็สมมติพูดขึ้นมาที่แรกผมรู้ว่าทุกขังอันิจังอนัตตานั้นผมงอฟันหักเมื่อหนังมันแห้งมันแห่วไปหรือมันย่นย่อมันญานไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เอง พลิกมือขึ้นคั่วมือลงมันเป็นทุกข์มันพิบตามันเป็นทุกข์มันหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทุกข์ก้มมือมันเป็นทุกข์เอียงไสเอียงขัวมันเป็นทุกข์กินน้ำลายเข้าในลําคอนี่ยก็เป็นทุกข์เราพลิกตานี่เมื่อสายแดดหัวพลิบขึ้นพลิบลงมันเป็นทุกข์ทางนั้นอันควรทุกข์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรามีสติกำหนดรู้ ในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนให้มีสติเข้าไปรู้เดินให้มีสติเข้าไปรู้นั่งสติให้มีให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้ท่านสอนให้เรามีสติเข้าไปรู้ในอิริยาบถทั้งสี่ท่านั่งก่อยังไม่พอถ้ายังสอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยาบถย่อยคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเดกก็ตาม เนี่ยท่านสอนอย่างนี้สอนคนจริงท่านมีคมหมายสอนอยากให้เรารู้เรื่องทุกนี่เองดังนั้นเมื่อผมทำแล้วมันรู้จริงๆรู้ของจริงรู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงว่แปรผันมั่นคงถาวรเมื่อรู้สมมุติทุกขังอันนี้จางนัตตนี่ดีแล้วว่ารู้สมมุติผีเทวดานารกสวรรค์บาป บ, บุญอันนี้รู้จริงๆ ซึ่งที่สมมุติในโลกเนี่ยต้องรู้ให้พกให้จบให้ท่วนเช่นเงินสมัยก่อนมันเป็นโลหะอย่างเงินกีบเงินบาทเราจริงๆเนี่ยเขาสมมุติเอามันเป็นโลหะตัวเงินนั้นมันไม่รู้จริงสมัยนี้ก็เป็นกระดาษเป็นทําเป็นกระดาษใบละห้าบาทใบละสิบบาทใบละร้อยบาทใบละหนึ่งบาทก็มีแล้วก็เหรียญเป็นโลหะ เหรียญห้าสิบตางเหรียญยี่สิบห้าต่างเหรียญระบาทอันนี้ก็เป็นสมมุติพูดขึ้นมาตัวเหรียญจริงๆมันไม่รู้เป็นยังไงอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็สมมุติขึ้นมาบวชแล้วก็สึกสึกแล้วก็บ 10, 10วชผมนี่บวชมาแล้วสามครั้งหนึ่งครั้งแรกบวชเป็นเนรปีหกเดือนพออายุยี่สิบปีมาก็ทันให้บวชผมก็ บ, บวชอีกประมาหกเดือนสึกออกไป มีครอบครัวครั้งนี้ไปเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วผมก็คิดว่าจะทำงานอันนี้ผมก็เลยมาบวชเมื่อบวชแล้วผมต้องทำงานอันนี้เพราะผมชอบอันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อทำความเข้าใจรู้สมมติดีแล้วให้ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็สมมติตำรวจทหารก็สมมติ ให้ว่าทุกอย่างเนี่ยครูโรงเรียนก็สมมุติสมมุติทั้งหมดเลยแต่สมมุตินั้นอย่าไปแตกต้องอย่าไปทําลายเอาไว้ที่นั่นแหละคันเมื่อเราเห็นสมมุติแต่คนมันไม่รู้เห็นดวงเหลืองมาก่อ็ยกมือไหว้ก็สบายใจเพียงซั่วคณะซัวขาวเท่านั้นเองอันนี้รวมเข้าใจของผมคนอื่นจะเข้าใจอย่างไรไม่รู้แต่ก้อนเรื่องศาสนาที่ผมไม่รู้ ผมนึกว่าวัดเป็นศาสนาพระพุทธรูปเป็นศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นศาสนาเมื่อบ้านใดเมืองใดไม่มีวัดไม่มีเจ้าหวัวไม่มีไอจัวไม่มีพระพุทธรูปเข้าใจว่าบ้านนั้นไม่มีศาสนาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเด๋ยนนี้ผมไม่เข้าใจอย่างนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้วัดพระพุทธรูปมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เป็นอย่างนั้นพระทรงองค์เจ้าก็ธรรมดามีก็ได้ไม่มีก็ได้เรารู้จักตัวเองอันนั้นมันเป็นเพียงสมมติธรรมนั้นเองเมื่อรู้จักอันนี้ให้ว่าผมแตกสารจริงๆเรื่องสมมตินาคาว่าแตกสารแตกสารในพระตจปีดกหรือไม้คือแตกสารในตัวเองรู้แล้วไม่หลงไม่ ล, ลืมใครจะพูดยังไงก็ตามผมก็เลยรู้ศาสนาขึ้นมาเลยศาสนานั้น แปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ศาสนาเปรวัตีพึ่งแราว่าอย่างนั้นคำว่ า, าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ผู้ใดรู้เรื่องอันใดก็นำเรื่องนั้นมาสอนคนรู้เรื่องเลือกงามงามดีก็เอาเรื่องเรื่องลูกนะเรื่องลืกงามงามดีนั้นมาสอนเราคนใดรู้เรื่องเสียข้าะห็นเวรกรรมก็นําเรื่องนั้นมาเสียเข้อ เพราะเห็นเวรกรรมจะหายไปคนใดรู้เรื่องผีไหว้ผีก็เอาเรื่องไหวผ้ผีมาสอนเราคนใดรู้เรื่องเทวดาก็เอาเรื่องเทวดามาสอนเราคนใดเพิ่งอันใดต้องเอาอันนั้นมาสอนให้เราเพิ่งตามผมรู้ขมเห็นของคนนั้นอันนี้เรียกว่าศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาคำว่าศาสนากับพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เหมือนกัน พุทธศาสนาคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามควรเป็นจริงรู้แล้วอันนั้นได้เป็นของจริงจ้ะพุทธะเป็นผู้รู้ทำเห็นทำตื่นทำเบิกบานทำดูด้วยทำกินด้วยทำมั่งด้วยทำนอนด้วยทำทําการทํางานทําด้วยธรรมจึงผมรู้ว่าธรรมะคือตัวเราทุกคนเป็นธรรมะผู้ยิ่งก็เป็นธรรมะ ผู้สานก็เป็นธรรมะจะถือศาสนาใดก็เป็นธรรมะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นธรรมะจิ๋วธรรมะนะ่ะคือตัวคนทุกคนเราเคยพูดเคยสอนกันบอกว่าทําดีดีพูดดีดีคิดดีดีเราเคยพูดเคยสอนกันอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจในคำพูดคําสอนอ น, นั้นเมื่อรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาดีแล้วผมก็เลยรู้บาบุญ บาปคือมืดนั่นเองบาปคือไม่รู้บาปคือโง่นั่นเองถ้าหากยังมืดจิตมืดใจยังโง่อยู่ยังไม่สลาดแม้จะทําบุญให้ทานรักษาศีลเท่าไหก็ตามยังมีบาปอยู่นั่นเองบุญเหมือนบุญคือรู้บุญคือเข้าใจบุญคือสว่างใจบุญคือไม่ทุกข์อันไม่ทุกข์นั่นแหะท่านเรียกว่าบุญดังนั้นจื่อว่า คนไม่รู้บุญออบุญไม่ได้คนไม่รู้บาปหีบบาปไม่ได้เมื่อรู้อันนี้เราสิ่งที่ผมรู้ได้ทันทีเลยผมรู้ทุกแล้วผมรู้ได้ทันทีอันที่ผมพูดเนี่ยรู้ในขณะตอนเศร้าครับกอนที่จะรู้ผมมูอกลางเกง่งขาสั้นหนังทาจังหวะพลิกมือขึ้นัวมือลงยกมือไปเอามือมาอยู่อย่างนี้ครับ ก็เลมีแมงงอตันตกใส่ขาผมเนี่แมงงอไม่ลูกอ่อนผมเลยพิจรนารณาเลยตามปกติแล้วผมมีอะไรตกใส่ผมตัดทิ้งครางั้นผมเลยไม่ปัดผมเลยพิจรนารณานโอ้แมงงอก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันขาเราก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเข้าใจเรื่องรูปนามรูปทำนามทำเข้าใจจริงๆครับเข้าใจแล้วไม่ลงไม่ลืมเป็นอย่างไง แบบ น, นี้ผมก็เลยรู้จักรู้จักแท็กสารจริงๆในขณะนั้นแต่ไม่ใช่รู้จํนานะนนี้ครับรู้จริงๆรู้มาจากจิตสมมึกรู้มาจากมันสมองจริงๆและยักษ์ากรนนั้นผมยังกลัวผีไหว้ผีไปเฮียนมนกับยาคูบุญมาเนี่ยเฮียนมนคนปืนคงมีดคงพลาเฮียนมนไม่ผีผมไปเฮียนในยาคบุญมา เพราะาคูบุญมาอยู่ดอนพงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ขลังจริงๆผมไปเรียนทั้งสามเดือนไปอยู่กับญาคูบุญมาเมื่อผมไปปฏิบัติธรรมะาอันนี้ผมรู้เข้าใจผมตกใจทันทีควมมนุผ ม, ม, มยังจำได้อยู่บางคำแต่บางคำก็จำไม่ได้มุนคงมีดคงผ้าคงปืนนั้นเพราะวะ่าอมทุลีทุลีขึ้นคอกูมีแพ่นทองกางผ้า หนาผากุแก่นปันหินตีนกุแก่นปันเหล็กขนแข้งกุท่อน้าําขาขนขากุท่อขนเม่นกูจากเต้นไปได้หอยโยพันวาพญามณ์ทั้งหลายจมมากราบมาไหวมากัาบบอบบางจนกู้อะไรเมื่อผมลูบลูบหนามแล้วผมมาลูบบงคอผมบม่มีแผ่นเหล็กเ่อมีแผ่นทองมั้งผมเลยตกใจขอโทษคนโง่สอนคนโง่มันจิสรลัทธิอย่างไงผมเข้าใจอย่างนั้น คนสล่ากับคนสล่าจึงสอนให้คนสลัดขึ้นผมเลยตกใจถ้าผมไปให้เคยยังเพื่อนเพื่อนนั้นโอ้ยเขาฟันคอผมคอขาดตายแล้วไม่ได้มาเวอาธรรมะสู้มูสู้เพื่อนสู้ฝูง ฟ, ฟังอย่างนี้ดอกผมหักไม่ทำผมเลิกได้เลยครับกินเหล้าสูบบุหรี่แควมากในผมเลิกได้ขณะนั้นของซัวนี่ให้เข้าใจว่าผมเลิกได้ทันที ในระยะนั้นครับพยายามยังไงก็ตามผมไม่เสื่อเลยอันนี้แสดงว่ารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรื่องนี้จากนั้นมาผมเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจจะไปสอนผีสอนเทวดาอย่างนั้นอันนี้มันเป็นความรู้ของอวิสาคํคำว่าอาวิสาแปลว่าไม่รู้แก้มันรู้ออกนอกตัวเราไป เมื่อมันรู้อยู่ในตัวเรานั่นเรียกว่าเป็นปัญญาของวิปัสนาถ้าหากเรารู้ออกนอกตัวเราไปแล้วเป็นผมรู้ของวิปัสโนจำไว้ครับผมเป็นวิปัสโนตั้งแต่เสาเจนตกเย็นพี่ครับผมยังรู้ผมมารู้วิปัสโนนี่ผมอาบนา้มมาแล้วผมมาเดินจมกรมง่างไปย่งางมาคล้ายๆมีคนมาซุก ข, ข้างผมนี่ครับวูบนี ผมก็เลยดูไม่เห็นอันใดเลยมันคิดขึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยผมรู้ครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จริงๆครับรู้แล้วผมทําเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูต้องเอาแมวมาเลี้ยงไหมแมวตัวน้อยหนูหนูตัวใหญ่มันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูมันก็จับหนูเลยหนูมันตื้นมันก็แล่นหนีหนูแมวมก็ติดหนูไปอันนี้เป็นขวอมูลของอวิสาครับ อวิสชาไปว่าไม่รู้มู้โตน้อยมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญามันยังไม่สามารถตัดข่มรู้นั้นทิ้งมันยังวางขมรู้นั้นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปในข่มรู้มันก็เลยรู้ผีรู้เทวดาไปสอนผีสอนเทวดาเนี่ยมันเป็นอย่างไงอันนี้เป็นข่มรู้ของวิปัสสนูเมื่อผมรู้อันนี้เรากลัวคิดนั่นนะมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจ แจ่มใสดีว่องไวดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บวฮมคิดมันทุกหยุดทันทีครับเมื่อโฮมคิดมันหยุดแล้วลราก็สมมุติมันคิดร้อยเรื่องนะครับเราจะทันมันเรื่องเดียวทีแรกนี่มันเก้าสิบเรื่องเก้าสิบเก้าเรื่องมันบดไม่ทันมันบัดนี้มันคิดขึ้นมาร้อยเรื่องเราทันจากห้าเรื่องและมือนกันอย่างเก้าสิบห้าเรื่องเท่านั้นเองบัดนี้มันคิดขึ้นมาลอยเรื่อง เราได้สิบเรื่องมันก็ยังไม่ทันมันเก้าสิบเรื่องเราพยายามทำความรู้สึกการเคลื่อนไหวนี่เองครับความรู้สึกนี่ความเคลื่อนไหวนี่มันตัดมันทำให้หยุดจังหวะสติปัญญาูิสมาทิปัญญามันแจ่มใสได้ครับมันก็เลยหยุดความคิดนั่นได้อันความคิดนั่นมันไม่รู้ครับมันเข้าไปในความคิด แต่บางคนเข้าใจว่าผมทำวิปัจนาเคลื่อนไหวไปมามันไม่มีนตำร า, าจังเลยอันนั้นผมเข้าใจว่าแม้จะเรียนนักธรรมตีโทเอกถึงมหาปรเลียงก็ตามผมว่ายังเรียนน้อยเกินไปในเรียนไฟล์ลกก็ตามจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ตามถ้าหากว่ายัางไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ายังเรียนน้อยเกินไปหรื อ, อยังไม่แตกสารยังไม่รู้ คำสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงไ ม, ไม่มีก็พระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนแนะให้มีสติกําหนดรู้ในอริยบทย่อยคุเยืดเคลื่อนไหวเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นจะไปหาว่าโบมีผมเข้าใจว่าเรียนน้อยเกินไปแม้จะแตรกสารในพระไตรปิฎกก็ตามเรื่องความรู้ของคนนําแต่ว่าดี เขาว่าไม่มีโกดีแต่ผมว่ามันมีเพราะมันเป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องให้มีสติตกําหนดรู้ในริยาบุตรนี้จังหวารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามที่ผมพูดมานี่เป็นคนจริงแต่รู้ตอน้าเรื่องนี้ครับตกเย็นมาผมกับรู้ผมคิดเมื่อรู้ผมคิดดีแล้วผมคิดมันหยุดเอาหยุดเอาอย่างนี้นะครับดังนั้นจึว่ามาเจริญสติเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาสําหรับทัพเมืองขวนเนี่ยถ้าหากผู้ใดต้องการนั้นเดือนสิบเอ็ดแหลมมุงคํามีการเปิดอบรมทุกปีจะทําอย่างนี้ไปทุกปีเพราะว่าสถานที่ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติเมื่อผู้ใดต้องการกลุ่มจีนแต่ไม่ได้ประกาศทางวิทยุไม่ได้ออกหนังสือทิมพ์ประกาศไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราให้ฟังผู้ใดต้องการเข้ามาเลย ทุกปีดังนั้นขอให้พวกเราจดจำไว้ที่ผมได้เล่าคุมจริงสู้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาหรือผมพร้อมด้วยพัะ ส, สงและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานทีน่นี้อาตมาหรือผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันต์สาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้นั่นอะ่ะขอให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธอในมูน เพื่อนภิกษุสมณีญาติโยมตั้งใจ่วันตอนเ้าวันนี้เมื่อทำวัดเ้าจุจบแล้วจะมาแนะแนววิธีปฏิบัติเหมือนกันกันกบมู่แรงวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่21ตุลาคม2529ตรงกับวันแรมที่ค่เดือน11 สำหรับการปฏิบัติธรรมนั้นต้องรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปที่ผมทํามาผลอื่นนจะเป็นอย่างไงผมไม่รู้ผมรู้ผมเข้าใจอย่างไงกันนาผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจของผมนี่แหละมาเล่าสู่ฟังดังนั้นการปฏิบัติธรรมมาหนึงจีว่ามีวิธีการวิธีการนั้นไม่ใช่ว่าวิธีการอย่างที่ผมทํามา เป็นวิธีการไหว้พระสวดมนต์หรือมีดอกไม้มีธูปมีเทียนไม่แต่อย่างนั้นวิธีของมันคือให้รู้สึกตัวการเคลื่อนไหวโดยวิเศษกว่าให้รู้สึกตัวนี่เมื่อรู้สึกตัวแล้วเป็นอย่างไดอาจจะมีคมสงสัยเมื่อรู้สึกตัวแล้วควมไม่รู้บหมคอนีหนีไปหนีไปหายไปหายไปเหมือนกับน้ําสีที่ยอมผ้าด เมื่อสีดีนะยอมผ้าสีผ้าจะเป็นเนื้อน้ำสีทั้งหมดเลยมันจะไปติดขอบ เ, เนื้อผ้าเนื้อผ้าก็เป็นสีกับน้ำสีนั่นเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นจังหะเมื่อน้ำยอมไหม้บัดนี้คำว่าน้ำยอมหไหม้ในหมายถึงว่าน้ำยอมนั้นมันบูติดผ้า <c oughs> มันหมดคุณภาพเอาไปยอมผ้ามันจะบูติด เป็นอย่างทันใจว่าน้ำยอมไม้บ้านผมครับดังนั้นการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างที่ผมพูดเมื่อแรงวา น, นครับมันเป็นผักต้นภาคที่สองนี่มาลูกผมคิดเห็นผมคิดเข้าใจผมคิดเมื่อมันเห็นปุ๊บผมคิดมันหยุดทันทีเหมือนแมวกับหนูแมวตัวใหญ่ตัวโตโ ต, ต, ตอ้วนมีกำลัง หนูตัวอ้วนตัวโตว ต, วตัวใหญ่มีกำลังกอตามมันสู้แมวโบได้ครับพอดีแมวจับพวกหนูมันซอกตายทันทีเลยครับแมวกินหนูที่บบมีเลือดอันนี้พอเราให้ฟังซึ่อเพียงน้อยแมวสอนวิสาให้เสือบม่ได้สอนตั้งแต่วิสาที่กินโบมีเลือดเแมวนี่เป็นผู้ของเสือเมื่อเสือเกือ้อตัวมา ต้องมาเอาแมวไปเป็นครูไปสอนใหนะ้อันนี้เป็นการเข้าใจของพ่อแม่ครูยาตา่ยายมาทีาส่สื่แต่ว่าแมวกับเสือนั่นมันที่เป็นคืออย่างคนวาระโบโบเป็นกระโบงจักเสือกินแมวโบได้ <c oughs> เพราะเป็นครูของเสือสอันนี้ก็ฟังเอาไว้ดังนั้นการเจริญส ต, ตินี่ครับเจริญผมรู้สึกนี้ มันสามารถทําให้ผมคิดจุดได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรืเ่องอริยสัจสี่นั่นคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่องอย่างแต่เราโบลูคําว่าโบลูนั่นกับโมเมนตแต่ว่ารู้หักไม่ใช่รู้รู้อย่างโบลูรู้อย่างคูรู้ต้องปักกันเลย <c oughs> <c oughs> รู้อย่างผูร้รู้รู้อย่างไดนันรู้อย่างผู้รู้นั่นคือเรารู้ผมคิดเห็นคมคิ ด, เ ห, คดเหมือนกับแมวที่มีกําลังพอดีมันคิดปุ๊บเราเห็นปับ๊บผมคิดมันหยุดเลย อ, อย่างทุกต้องกําหนดรู้ไม่แต่กําหนดบนอื่นเนี่ยครับกําหนดการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยพลิกมือขึ้น รู้สึกตัวพ่วมมือลงรูดตัวเอียงซ้ายเอียงตัวก <c oughs> <ค>้มเหนย์เนี่ยรู้สึกตัวอันคนรู้สึกตัวเนี่ยพันวะทุกต้องกําหนดรูนะ้มันเป็นตัวทุกอย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อแรงวันเคลื่อนไหวไปมาทุกอิริยาบถเป็นตัวทุกเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกขังเป็นมันติดอยู่กับรู้ อันนี้ยังไปว่าห้ามโบได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนาตตาบังคับบรรสาโบได้มันเป็นเองครับอย่างพิษตาน ม, มันพิษย้อนท้องตีต้องเตีย น, นน้อยพวกมันมเราเคยรู้เหมือนไหมไม่เคยรู้ครับมันเลือดไส้แร่หัวเนี่ยมันเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นมารู้ไหมไม่เคยรู้คนับผอุนอาจจะรู้ยังเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้ หักไม่รู้มันไม่รู้ด้วยสติปัญญาครับ <c oughs> มันรู้อย่างคนสามันธรรมดาทีเดียวจังหวัดทุกซ่องกำหนดรู้รพระพุทธเจ้าตรัเมื่อมารู้อันนี้แหละครับพอดีมันคิดเราก็ามาอยู่กับผมรู้ผม ค, คิดมันอยุ่ทุกที่มากำหนดรู้มารู้ตัวนี้สมุทัยต้องละเราละมันบมดได้สมุทัยครับเพราะมันเป็นตัวคิดนี่ครับ สมุทัยทําให้ทุกเกิดมันคิดขเข้าไปในผมคิดวันนี้พอเดมันคิดหรือมันบุกคิดก็ตามเขามากําหนดการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ครับพอดีเคลื่อนไหวเรารู้พอเดมันคิดปุ๊บเรารู้มันก็นมายุ่กับการเคลื่อนไหวนะครับย่อมจิ่วสมุทัยต้องละมันละด้วยการเคลื่อนไหวทีนี้ครับมักต้องเจริญก็ทํ า, ทาบ่อยๆแล้วครับ ทำการเคลื่อนไหวไต้องมีสติกำหนดรูการเคลื่อนไหวทุกอินทรียบุตรนีแบบมักต้องเจริญนี่โลดทำให้แก้งมันเกิดควมรูควมเห็นข่มเข้าจัดแยมแกมจริง <c oughs> มันแจ้งแจ้งอันใดอาจีเข้าใจอย่างไ น, นมันแจ้งแจ้งเรื่องทุกข์ทุกนีม่มีหลายทุกข์เลยครับทุกที่มีเงินว่ามีท้องนั้นอิทุนนี่ลถทำให้แจ้งแจ้งอันใดแจ้งเพราะเราเห็นจิตในเองทื่ว่ารู้ทุกจิตเมื่อรู้อย่างนี้เราจะเป็นอย่างไรมันต้องรู้อันใดบ้างรู้วัดขู่เขาไว้ตอนนี้โบได้ว่าเรื่องรูกนามเลยว่าเรื่องนามลูกเนี่ยไง รูปนามนามรูปนี่รูปนามนี่มันเป็นเรื่องรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนั่นเป็นรูปนามนามรูปนี้บุรต้องเอารูปเข้าไปต้องเอาเวทนาขันเอาสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นทั้งนามเป็นทั้งรูปเข้าไปคือนามนั้นมันคลุมรู้เาเนอควุมรูปเข้าไปรูปอันนี้แหละเป็นรูป มันเป็นลูกผมคิดครับเนีย่ยเข้าใจอย่างท่านผู้คนอื่นจีเข้าใจอย่างใดบน้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยเข้าใจวัตถุวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างครับดินฟ้าอากาศก็เป็นวัตถุเสื้อผ้าเสื้อผ้าหรืองเงินทองเหล่านี้ก็เป็นวัตถุต้นไม้ภูเขา ห้วยนององบึงก็เป็นวัตถุครับเราเรามู้จักว่าวัตถุนั้นเรารู้จักไปแต่ภายนองแต่ภายในจิตใจบุรู้จักครับบัด น, นี้เนื้อหนังเขาเนี่ยครับก็บเป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกมันคิดมันก็เป็นวัตถุครับคําว่าวัตถุได้หมายถึงของที่มีครับเมื่อเห็นวัตถุแล้วไปเห็นปัมัตปัญละมัตได้กรหมายถึงสิ่งที่มันสัมผัสดู กำลังเป็นยู่มียู่มีเรียกเอรณ์ปรมาทัศนเข้าใจอย่างนี้ใช่ว่าเข้าใจวัตถุปรมาติจริงครับเรืองนีเมื่อเข้าใจวัตถุปรมาติอาการอาการหมายถึงาการเปลี่ยนแปลงแม้ดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงห้ยหนองขอกบึงก็เปลี่ยนแปลงรูปกายฮองเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นครับน้อยแล้วก็ใหญ่แล้วก็เท่าแก่ตายเราเข้าลงไป เนีน่อาการของมันจิตใจที่มันนึกมันคิดมันก็เป็นอาการของมันเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เมื่อรู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็เลยรู้เห็นเข้าใจโทสะโมหะโลภนะนี่ครับเห็นรู้เข้าใจจริงๆครับเรื่องนี้เมื่อเห็นรู้เข้าใจเรื่องโทสะโมหะโลภะแล้วกรับเห็นรู้เข้าใจเวทนาสัญญาสังขารยิญญ่งยา แต่ว่ามีอยู่ครับเวทนาก็มีอยู่แต่หักโบกุกสัญญาก็มีอยู่แต่มันบบกุกสังขารก็มีอยู่แต่มันโบกุกวิญญาณก็มีอยู่แต่มันบบกุบญญ ก, อ, ก <c oughs> อันนี้ว่าลูกซีนะ่ผมเข้าใจเข้าใจเรื่องนีตอนเย็นครับผมเดินกลับไปสมาผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจเรื่องนี้ไฮซีวา่าจย่างไรก็ตามางแต่มันรู รูหลายอย่างนะครับแต่ผมวันนี้ว่าสั้นแต่มันหักยาวครับจะคมรูในขนาดเมื่อผมรูรเมื่อรูอันนี้เลยผมสว่างใจสุดสมมุติน้ําหนักผมร้อยกิโลครับผมสลัดทิ้งทันทีเลยครับเนี่ยหลุดออกจากตัวผมแตกระได้ทันทีเลยหกติ้กิโลอย่างน้อยแต่ในขณนะนั้นผมว่าผม ทนไปหรือว่ารุดออกจากตัวผมไปแปดสิบกิโลครับยังเหลืออยู่ยี่สิบกิโลเข้าใจอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็เลยเดินกลับไปกลับมารู้จักความเป็นพระจริงอันนี้แหละครับผมจึงว่าตอนเย็นเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นพระเรื่องสมุดพระนี่เป็นทางจิตใจตุณิคับอย่างที่ทูกต้องเลยครับผมก็เลยรู้จักโอ้เรานู่งางเกงอยู่ด้วยา กูเป็นพระได้แล้วบ่นเนี้เนี่ยมันเข้าใจมันร้องไปนะครับในใจกูนี่บโได้ออกปากว่าโอ้ขอมเป็นพระมันเป็นอย่งังไงได้เขาเา้าใจเบาอกเบาใจสว่างจิตใจเบิกบานล้าเลิงครับโบหุกเนี่ยครับเมื่อเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญากะว่าได้หรือทําำขมรู้สึกตัวซึ่งตัวทํำขมรู้สึกใจซึ่งใจกล่าวะได้ มันซิ่งที่มันปรากฏมันเป็นตัวมันเองตัวมันเองเป็นตัวมันเองครับจึงบดจ้องห้ามผมคิดให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้เมื่อกับนักโมยนีะครับเรียนมาจาก ค, าาครูจะไหว้แต่ครูด้วยขึ้นเวทีที่ไหนจะไหว้แต่ครูแล้วจีนได้เป็นเซมเพี้ยนครูได้เป็น ค, คนที่เขาเปลี่ยนจากครูมาแล้วเขาขึ้นในเวทีเขาต้องซก แท่นะนั้นโบรูละมาจากไสมาจากไสแต่โบลูละน้อยแย่บาหวานะครับแต่เรามีพรสามารถที่จะตกซกหลายเทือหลายทีมาก็เราก็ตำนานในการซกลู่จากคู่โตสู้มาโลกบันี้แล้วขึ้นเวทีก็ต้องพยายามเดินไปเดินมาค่ะคู่โตสู้เข้ามาซกใสหลุมตามเลยครับเมื่อซกหลุมตา ม, มันแล้วคู่โตสู้มันก็ ธรรมดาน่ยมันเจ็บต า, ต า, บตรบบตาครับตาโบแต่โบโบก็ตามันก็ต้องโบมีตาแล้วมันซกเข้ามามันโบจักแล้วครับบัดนี้เอาตาแจ้มครับมาเขาต้องซกเอาสีตาซกหัวมันคุณครับมันก็ล่มลงมันเป็นอย่างถ้าซกเทเด็กศาสนะซกเทเด็กศาะนาซกเทเด็กศาสนะทุกครั้งแต่เขากำให้เป็นเศษเปี้ยนเท่านั้นเองไม่ได้ยากครับ อันนี้ก็คือกันครับมันคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสมันได้ทุกครัง้งทุกคราวไปครับนี่เมื่อเป็นอย่างนี้โสดโมหโลก ก, ก็จางไปครับเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เวทนาโบมิทุกแต่เวทนามียุสวยอารมย์ยุเวทนาตัญญาสังขารวิญญามียุแต่โบหุกเมื่อเห็นอันนี้แล้วผมกดใจมันมืด อ, อยู่ เอาสติมาดูก็ได้หรือว่าดูอย่างไรก็ได้แล้วมันสมมุติพูดครับดูเข้าดูเข้าดูเข้ามันคิดทันเข้าทันเข้าก็เลยเห็นกิเลสตัณหาอุปาถานกลับนี่แหละปรากฏขึ้นมาในใจเพราะสิ่งนี้มันมีในคนมั้งทุกคนเลยครับผู้หญิงก็มีอย่างซีผู้ชายก็มีอย่างซีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีอย่างซีคนอินเดียบนพระพุทธเจ้าตัณฑ์ก็เป็นอย่างซีครับ คนไทยก็เป็นอย่างนี้คนลาวก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันคือการมัดรับบูผิดกันที่ือตศาสนาใดก็ได้นุ้าสีอันใดก็ได้มีความรู้ก็ได้โบมีความรู้ก็ได้มีเงินก็ได้บบมีเงินก็ได้ถ้าปฏิบัติผูกแล้วครับถ้าปฏิบัติโบถูกแล้วโบวรู้ครับผมเข้าใจอย่างไร เมื่อผมรู้อย่างซีเลยครับผมเข้าใจว่าโอ้ผมเป็นพานัมมีมืัสทุกคนแต่ว่าคมคนนั้นจะทําให้ผมเป็นพระเกิดขึ้นหรือบอ่เท่านั้นเองถ้าหากบท่ทำมันบ่เกิดแท้แ ท, ท้ได้ครับเรื่องนี้จังว่าการให้ทานรักษาะจิตดีแล้วการทําสมถกรรมฐานนั้นดีแล้วแต่ว่าสัญญาบ่เกิดมันบ่เม็นทางดับทุกข์เรื่ององนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าครับ เรื่องการให้ฐานนักษาติทำกรรมฐานแต่ทุกคนอาจจะรู้หรือบุรุษผมกบ็บอกเข้าใจนะครับเราเคยได้ยินนี่ครับพระพุทธเจ้าเต็มเมื่อเป็นมหา菩萨พาบริวารหรือมหาเล็กไปส่งสุนไมัไปเห็นเพศสมณะเนี่ยอันเพศสมณะกับเพศนักบวชเั็นแบบมันมีมาก่อนและบัด น, นี้เพิ่นก็เลยเห็นว่าเพศนี้สบายไปมาไม่เดือดร้อนบวมีสิ่งบวมมีของ การทํามาหากินก็สบายคือไปเลยออกบทต่างเนี่ยเข้าใจอยา่แล้วตอนที่มาทํากรรมฐานแบบนี้เมื่อบวชล้วก็ไปสแสวงหาครูอาจารย์พระพุทธเจ้าของเรานี่สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลย <c oughs> ไปศึกษาไปเล่าเรียนกับครูทั้งต่ออาลาดาบทพุทธกาจบทต่ออาจารย์นี่อาจารย์คนแรกสอนให้ได้สมบัติเก็ เข้าสารออกสารได้เหมือนกันกันกบครูบาอาจารย์ทุกอย่างฉันเรเารู้จักสามครูบาอาจารย์น้อยกว่าคือลู้จากที่ เมื่อเขาสารออกการได้กับครูอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถามครูอาจารย์กขาบอกว่าหมดผมรู้แล้วบุมีผมรู้ที่จะสอนต่อไปแล้วครูคนแรกก็เลยลาจากอาจารย์นั้นนีงมาเรียนกับอาจารย์คนที่สองมีได้สมาบัดแปดสมาบัดแปดนั่นก็ลูปทารกที่รูประทที่ขเขาเข้าใจอย่างกันได้คล้องแค้ววงไหวเหมือนกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้พระองค์ก็เห็นว่าทางนี้ยัง บ, บ่เป็นทางคนพุกเนี่ยแล้วเรากันยังไปเหตุตามว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นโบได้เป็นพระพุทธเจ้าถูกได้อหมเป็นคําสอนของพระพุทเราก็ถือว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เมื่อพระองค์เหตุแล้วมันโบได้สมกับข่มมูงมาตัณหาเรียกว่าไม่พอใจในการกัต าการกระทํานั้นมันยังมีทุกอยู่มันยังมีดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจชอบเกลียดตังนี่มันยังมีอยู่เอาอันใดมาเป็นเครื่องวัดข้อพวกปัญจวัคีร์ดำ้าเนี่ติดตามพระองค์ไปครับไปให้ภุมบอุปถัมภ์วางอูเอาอันมุนี้แล้วเป็นจังวัดพระองค์พอเห็นใจพระองค์ก็เลยหลาจลากอาญาลามาแล้วก็มาอดเข้าอดน้ํา กั้นลมหายใจบบพูดโกคุยกับไผทั้งหมดเจนว่ามีเต้นหนามกับเจนกับกระดูกลัดตึงมันเอาไว้เขาเคยเห็นโบเห็ดเป็นกระดูกเห็ดโงพงนะคะเจ้าเห็ดเป็นรูปกระดูกสัมผัสจอยห่อเจนที่ตายเขาจะไปลุกไปใส่มาใส่กันลําบากอันนั้นกระโบเสเป็นพระพุทธเจ้าเ น, นี่ยคนบูบจากทางไปคนหลงทางคิดที่จึงไปว่า วมเห็นว่ากิเลสมันเป็นน้ากินข้าวเป็นน้าพูดน้ําคุยเป็นน้ามูนี่แหละหมกขดข้าอุดน้ํากิเลสมันบ่มบดแบบนี้เมื่อเฮ็ดไปอย่างนั้นแล้วเพลิงที่สุดแล้วคนอื่นที่เฮ็ดอย่างเรานี่บ่มีหรอกว่าสันพระองค์คนคำนวณเลยก็เลยเลิกล่ะหมกินมกขมา้าอหมักต้มหมองเนี่ยพวกปัญเจ้าพวกทีต่งห้าคนเห็นว่าโอ้บุรเดจัตสลรปเป็นสกุลเจ้ า, าดอกผานเล ขายผมเทียนเวียนมามากๆแล้วพรกนั่นก็เลยปุกษาหาเูคนละเรืองหนงนี้ถ้าองค์กไปคนเดียวเมื่อไปคนเดียวนี้เรียกว่าสงัดกายสงยกัดวาจาใจมันหมดสงบหมดสงัดเมื่อคิดถึงปัญจวัคคีบ้างทีแรกอยู่ด้วยกันห้าคนหกกับเราบัด น, นี้ไปคนเดียวบางทีคิดถึงลาหุนผู้เป็นลูกหรือโอรสอย่ว่าอย่างไรก็ได้ครับ คิดถึงนางพิมพาผู้เป็นภรรยาหรือเป็นเมียที่ว่าอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เมียแล้วเขาน่ะ น, นะเดินทางออกไปคิดมันคิดไปถึงนี่มันเป็นอย่างผมคิดจโยนมากินข้าวนางสุดสดาีดิ้งข้าวนางสุดสดาแล้วก็ยังไปอธิษฐานไหววอนเทวดาถาม น, นางสุดสดาว่าจะถวายแต่เขาหรือจะถวายทั้งหมดนางบอกว่าถวายทั้งหมด นางสุดาดาก็ไปไหว้วอนวงดวงเทวดานี่การไหว้วอนวงดวงเทวดามันก็มีมาก่อนครับยังว่าเรื่องการให้ทานรักษาสิทํากรรมฐานนั้นมันมีมาก่อนสกุลยาวมันมีมาก่อนสกุลยาวเรื่องสวรรค์เรื่องนิพานเนี่มันก็มีคนเมาอยู่อย่างกันครับแต่พระองค์อยากรู้อยากอยากเข้าใจจึงได้สแสวงหาจุดรู้จนเผ็ดจุดเข้าใจแล้วก็นํามาสอนพวกเขา เต บ, บอกสอนพวกเขาดอกสอนคนอินเดียพวกนี้คนอยู่อินเดียคนเขาว่าภาษาอินเดียสนวะจิ้นมาว่าภาษาไทยอะ้รอย่งบ้า น, นี้คนไทยอยากรู้อยากเห็นเขต้องไปเรียนจากภาษาอินเดีแปลเอาแล้วก็มาปฏิบัติเอาเป็นยังบางทีแปลมาผิดปฏิบัติก็ผิดแปลมาถูกปฏิบัติก็ถูกย่างที่ผมว่าเนี่ยโบได้วอลเป็นภาษาบาลีครับ เ, เป็นภาษาพื้นบ้าน เป็นภาษาบ้านเมืองเลยเอานี่ยแหละผมเข้าใจอย่า ง, งจริงจังจรงยังไงจีบว่าให้พวกเราตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติจริงๆริ ง, รง <c oughs> ซึ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันบ่นหลงบ่ลืมเน่ยครับซึ่งถ้าจะ ร, รู้จํานั่นมันหลงเป็นลืมเป็นเนี่ยครับอย่างที่ผมว่ามานี่อาจจะผิดก็ได้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารน้อยกว่าครับวันนีผมเพิ่งกมลูกกลมเห็นผมเข้าใจ แต่เมื่อผมปฏิบัติผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจแล้วก็เลยมาทวนผมรู้อันนั้นมันก็เลยเกิดรู้ขึ้นมาตามหลังอันนั้นเป็นผมรู้ของผู้อื่นนะครับวันนี้พระองค์ก็เลยออกคัดนั่นมาเที่ยงว่าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ขันใบนี้ทวนกระแตะของน้ําพื่อไปถลต้นน้ําพุนในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าจี่บุตรตัดสัตรู้เป็นพระพุทธเจ้า วางขัดลงใบนี้ลงบนอยู่น้านี่ให้มันไหลไปตามกระแสน้ำมาวันนี้พระองค์วางขัดลงไปขันกัดควนกระแสของน้ําขึ้นไปจานจาขึ้นไปเถืงบ่นกะละนาคนอนพุณ ล, ล่ะเลยไปจมลงคุณกระานาคนอนอย่าบูตื้นที่ว่าท่านสวนวางแล้วไปตำเอาหัวกระานาคแล้วไปซนเอาหัวกระานาคเป็นหมอนแล้วไปเป็นหมอนให้กะละนาคนอนกระานาค ก, ก็เลยหูจัด สีพาร์ีได้ได้จัดสรูปเป็นขอกก้อเท็จจริแล้วนี่ตัวยังนอนบ้ตื่นป่านนี้อังคารนานักนอนนังกับเพราะว่าหีวนอนมาทั้งตั้งแต่เมื่อเป็นในเอ็ได้อุปธรรมครูบา จ, จ่าอยู่ตั้งรอยบ้รู้แตถึงกฎปรจําบ้ได้บนวางให้สว่าบ้มีเวลาที่ได้หลับได้นอนมีเด็ดดอกไม้เทผลหายน้ำํำยูย่างสั้นหรอผู้เดียวตังน โบได้พัฒนาเอาน้ำพัฒนาเอานอนอย่างเดียวเท่านั้นจริงว่านอนเนี่โบตื้นปานนี้พวกเราย่านอนหลับทับติอันว่านอนโบตื้นก็ะมายถึงนอนหลับทับติดที่ผมเข้าใจคือโบตื้นตัวโบรูสึกตัวการเคลื่อนการไหวการไปการมาความคิดมันคิดกว่ายิ่งละเอียดโดยโบลูโบเหตุอันนี้แหละผมเข้าใจว่าปลานะนอนเนี่โบตื้นปานนี้อันนี้ ผมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือเห่าเนี่ยครับบูรู้สึกตัวเนี่ยนี่ก็ล่นานกหน่อยบางคนบูรู้สึกตัวเกิดดูจากทองแม่มาครับจกตายเนาเข้าหลงบูรู้สึกจริงผมเองก็ออกคือการผมก็จากทองแม่มารู้จากทองแม่มาไม่เคยรู้เลยครับรู้ไปหันมานี่รู้ยุคมันคิดรู้ยุคคิดแล้วมันเข้าไปในหัวใอันนี้ครับเดี่ยวบูรู้สึกตัว มันเลยโบเกิดสติโบเกิดปัญญาโบเกิดความรู้แจ้งให้บอกโบเกิดยังมันก็รู้ไปเลยนี่มันเป็นอย่างไรดังนั้นจังหวะการรู้จักไม่จริงรู้จําบไม่ผมรู้เอารู้แจ้งรู้จริงจงเป็นผมรู้อเขาอย่างที่ผมวาเมื่อวานนี้เนี่ยครับพ่อแม่เราให้ฟังเราเกิดที่แน่เขาเอิญเด็ดพันสายพันอินทักษิณ เกิดเมื่อวันที่ห้าเดือนกันยายนปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบตีร้ยสแ น, 100, นวก็เกิดวันอังคารนะขึ้นติดสามค่ำเดือน1ิปีคุณอันนี้ผมจำมาครับแต่บางทีผิดก็ได้ทุกก็ได้ครั บ, พออ บ, บเพราะว่าบมไม่ผมรู้เองด้วยครับตอนปฏิบัติธรรมะนี่ผมรู้เองเหตุเองเข้าใจเองนี่ไม่มเป็น พอดีผมรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยมานอนครับมานอนนอนได้ตื่นแล้วับมาล้างหน้าแปรงฟันมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วผมก็มีเพียงไข่ไปใช้ต้นเบอร์นันต้นบอร์นี้เดินกลับไปกลับมามีที่เข็ดตัวห น, นึ่งเรียกว่ตาตาข่าครับที่เข็ดบ้านผมสูญใหญ่มาแล่นออกมาควักควออกมาแล้วผมก็เลยเอาเขียงไข่ตามไป เมื่อเทียนไข่ตามไปแล้วโบเห็นผมก็เลยเอาเทียนไขมาตั้งไว้ตามเดิมก็เดินกลับไปกลับมาผมก็เลยรู้เห็นเข้าใจทำผัดได้เรื่องศิลนี่แหะครับศิลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่งงางหนาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสยามละเอียดโดยเฉพาะล่ราพญานิพกิเลสย่งงางหนาก็คือโทสะโมหโรภะ แล้วิเลสัณหาอุปทานกรรมนั้นเองกิเลสอย่างอย่างสิ่งนั้นหลุดเบาออกไปแล้วสิ่งยังปรากฏขึ้นมาครับสินอันสินห้าสินแปดสิสิบสิสองรอยี่สิบเจ็ดนั้นโบ้ปรากฏให้ผมดูอันนั้นทีว่าสิสังคมสินสมุติสินนั้นคือมันมีอยู่ในเฮาแล้วไปรับกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้บ้รับกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้ครับข่าวนั้นผมไปปฏิบัติ หลวงพ่อวันทองนี่เป็นอาจารย์ครับเพิ่นให้ผมขอกรรมฐ า, านแต่ผมก็ต้องขอครับเพราะผมก็เคยทําอย่างนั้นเพิ่นให้กรรมฐ า, านอุโบสถติดิดแตกสินเรานั้นบ่ทําให้ผมหูผมเคยรับสินมาแล้วครับโตควมรู้สึกนี่มันสินสินครับเขามานั่งอยู่นี่มาเจริญสติสมาธิปัญญาอยู่นี่ครับบ่มไม่นั่งเนาะมาอยู่นี่กายก็ทําดี ว่าจยากก็พูดใหญ่กว่าพี้ดีอันนี้แหละมันเป็นสิ่งเป็นธรรมแล้วครับเอาโบได้คิดอิสสาริษยาผู้ใดโบได้เบียดเบียนผู้ใดเอาตั้งอกตั้งใจทําพรมรูปตัวอันนี้แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมแท้ครับจีว่าสิ่งอันนี้เป็นสิ่งรักษาคนโบเบ่งผลรักษาสิ่งนี้ครับอันสิ่งห้าสิงแปดสิ่งสิบสิ่งสองยี่ิเจ็ดนั้นสิ่งสองยี่สิบเจ็ดนั้นอันนั้นสิ่งคนรักษาอันนั้น รักษามันว่ายัานมึงขาดมันจบอันนี้มันสิ้นรักษาค้นเพราะที่ทำอันใดมันรูสึกตัวเนี่ยช่อว่าสิ้นสิ้นแปลว่าปกติคำว่าปกติคำหมายถึงปกติกายปกติวาจาปกติใจครับนี่เป็นสำหรับทัพนิ้วพวดนี่ครับต้องเมื่อแหลมคำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดออกพรรษาแล้วต้องเปิดอบลงโบต้อง หลอไม่ยังครับหมดต้องคอยว่ากระเทศบ้านนั้นบ้านนี้นบนนมต้องหลอต้อง่อยจะมีก็ได้บ่มีก็ได้ที่นี่ครับแต่ว่าต้องเปิดอบรมเพราะว่าต้องการสอนคนจริงต้องการพู้โกงจริงทุกคนต้องการคกจริงแต่หากว่าบ่มีผู้กล้าสอนบ่มีผู้สามารถที่จะสอนคนจริงได้เมื่อพูดถึงคนจริงนี่ก็จะพูดให้สันส้นๆสั้นๆครับให้เข้าใจเอาไว้ คนเราบ า, ากตายทั้งหมดทุกคนเลยได้เหาอยากเกิดครับผมเนี่ยให้ฐานรักษาสิปงวัฒนาไปเกิดเป็นเฮวดาเป็นอย่างอยากไปเกิดเป็นเฮวดาครับให้ฐานรักษาสิ่งวัถนาออกไปเกิดเป็นเฮวดาเมื่อไปเกิดเป็นเฮวดาหมดบุญวัฒนาที่เราสร้างเลยครับกลับมาเกิดเป็นผมเป็นคนรวยๆแยบคิดอย่างนั้นแต่ว่าเกิดไปก็ต้องต มีมีสิได้ไหนโลกบุญีโลเกิดผู้นึงตายผู้นึงเกิดสองคนตายสองคนโทดร้อยคนตายร้อยคนโบสถ์ขอต่างประเคนไทยได้ไหมคนจีนคนฝรั่งเศสคนอเมริกาก็ตายกันคนอเมริกาคนฝรั่งบ้านเมืองกระจจเลริญสร้างเครื่องยนตย์คนไกลสร้างเฮลิบินก็นได้ก็ตายเป็นคือกันครับนี่จีว่ามันเข้าใจผิดของบัวเดิเข้าใจตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคน โบยักเกิดถ้าเกิดแล้วต้องตายเพป่นเข้าใจแล้วเฮาอยากเกิดเฮาอยากเกิดแต่โบยักตายอันนี้แหละครับมันขัดน่าโยบายไปดังนั้นที่ผมนํนมาธรรมมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นว่าสมขควรเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมีธุระเ่องเวลาเข้าไปปฏิาบาัติจะตั้งอดตั้งใจปฏิบัติจริงๆสำหรับท่านผู้ควต้องทำทุกปีนะครับ เดือน11ดแลมหนึ่งคำต้องจดจำเอาไว้ครับเอาแหละท้ายที่สุดนี้ผมและเพื่อนที่สุดสมเนีทุกท่านทุกคนนะผมขออ้างอิงอกอกบุญของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำา่องสอนขององค์สมเด็จพระ ส, มรสมัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเหินๆตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้ารู้นั่นน่ะให้รู้ตามเห็นตามจงทุกทุกคนเธอ ม <c oughs> ีมนเพื่อนภิกษุจรรมเนรและญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังกันตอนเช้านี่ก็พูดให้ฟังตอนเย็นวันนี่ก็พูดเย็นวันนี่ก็ต้องพูดเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่จะพูดคู่กันฟังทุกคนเกิดมาต้องอ่านคลมจริงเรียกว่าตัดจัรรมหรือว่าอริยสัจ คำว่าสัจจะธรรมนี่หมายถึงของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันคำว่าสัจจะหรืออริยรสัจอริยรสัจที่แปาว่าทุกสมูไทยนี้โลภะหรือว่าอาริยรสัจ ต, รตรี้เป็นว่ า, าแต่เราเข้าใจในคําพูดซื้อแต่จิตใจเราบูรูณมือนี้ก็ต้องพูดเรื่องสัจจะธรรม รวมเป็นจริงตู้กันฟังคนเราทุกคนมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นควมเข้าใจอันที่เรารู้จํามานั้นมันดีแล้วแต่ยังไม่ใช่ของเราต่อเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละของเราแท้ๆเที่ยวว่าวิมุตดหรือผมคลุดพ้นกันวางแต่คือหลุดพ้นไปจากหัวโบรูนี่ยเน้ รูปค้นไปจะพวมงมงหลายเลยนี่วิหุตให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจจริงๆเราจะไ ป, ป, ปติดเอาแบบตำราคําว่าสัจจะแล้วคนจริงมันมีมากมีหลายเรีกเอาไปรู้เอาว่างสัจจะคือคนจริงจะไปไม่ไปเสียดสัดเนืน้อปานาอธินากาเมมุส า, าสูลานี่เป็นสัจจะอันนี้กรินอยู่ ยิงโดยสมมติที่เราได้ยินได้ฟังกันมานั้นตัวตัจจะที่ผมจะเล่าชู่ฟังในวันนี้ก่อนจริงคนเกิดมาและทุกคนต้องตายไม่ยกเว้นเลยเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรก็เมื่อเขาจะรู้เรื่องนี้ต้องมีสิ่งก่อนสิ่งเป่นว่าเป็นเครื่องกบจัดกิเลสอยา่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกับจัดกิเลสอย่างกลาว ปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยว่ากันคําว่ากิเลสยังหยาบกัได้แก่โสดาโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานนี่แหละอันนี้เราพูนว่ากิเลสยงงา่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้เบาบางไปแล้วเขาเป็นปกติเมื่อจิตใจเน่กคิดเข้าไปเห็นก็รู้เมื่อมีอันใดมาแตะมาต้องรูปกายภายนอกก็รู้ หรือเมื่ออารมณ์อันใดอันหนึ่งพอใจว่พอใ จ, อใจดีใจเสียใจเกิดขึ้นภายในใจิตใจเราก็รู้เรียกว่าเป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจเป็นอย่างันเยเมื่อปกติแล้วก็มีสติ น, นั่นแหละเป็นเรื่องสิ่งอย่างเมื่อผมรู้นั้นผมว่าสติขันสมาธิขันปัญญาขันวางขันขันไปว่าพุ่มคล อ, องโมดหมดูม้นวนวายกัน คือกองขันกองลูกกองขันตำลาว่าบวันนี้เมื่อผมรูขันสิ่งขันหมายถึงสมมติเท่านะฟืนต่ำเสื้อตํำผ้า เ, เนี่ข่าวนั้นไม่เอาไม่เถียงเอาฟืนติดตอต่ำผ้าไปให้ฟืนที่แน่นหนาดีเอาเป็นนุ่งอับน้มก็ได้ฟูนอนก็ได้ฟืนขันถ้าเป็นฟืนจานแล้วเนื้อผ้าโบทีบวบงเอา โบจบเดียรอีกเรื่องหนึ่งขันหมายถึงต่อสู้หมายถึงลองหลับต่อสู้อันใดเนี่ยขันท่าขันดีตักน้ําได้กินถ้าขันหัวตักน้ําบได้กินถ้าขันดีเอาไปตักอาหารการกินก็ได้ถ้าขันแตกขันโบดีกว่เอาไปตักอาหารการกินก็โบได้แล้วมันเป็นอย่างไรแต่ว่ากินขันขันนี่แปลว่าต่อสู้ลองหลับคือขันห้าอันใดก็ได้ ต่อสู้อารมณ์ซัวอารมณ์ดีเขารู้จักอารมณ์ซัวเขารู้จักอารมณดีนะคนอเนกขันอเนก ท, ที่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นภาษาบ้านมเราบนไม่เกี่ยวข้องภาษาส้มภาษาบาลมบาลีน่นเอเมื่อรู้อันนี้แหละผมก็เลย ม, เมั่นใจทําผมรู้สึกตัวตื้นตัวทําผมรู้สึกใจตื้นใจมีประโยชน์มีค่ามีคุณมากที่สุด ถ้าโมทัมโมรูคนอื่นอาจจะรู้ก็ได้อันนี้แหละการให้ฐานก่อตางรักษาจึตก่อตามภาวนาธรรมะกรรมฐานกอตามยัริศวิปสัสสนากอตามต้องการโผล่กินที่แหละเขาอยากรู้อยากเห็นเทีย่ยวเกิดมาแล้วต้องตามคนเกิดมาตายย่างคนโตงัวโตวควยเกิดมาตายย่างงัวย่างควย โต ม, ตมูโตมาโตเป็ดโตไก่อันใดกระทำซานะเปิดมาอย่างไหนต้องตายอย่างนั้นจุดแน่นอนคนตายบ่เฉพาะเจ้คนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนญวนคนลาวให้ว่าคนนี่แหละเกิดมาตายมัดกับคนบ่มีเหลือจกคนนึ่มันเป็นอะไรกันต้องเห็นจริงอันนี้ผมานี่รู้จักเลยแต่คนบระยักตาย อยากเกิดผมเองอันนี้ทําบุญให้ทานลักตาทิมวัฒน์นตายยจะไปเพื่อเป็นเทวดาแล้วเนี่ยแต่มันบกเข้าใจาพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายนั้นเพิ่นงัวเกิดเพิ่นบกบัวตายเกิดมาแล้วมันจําเป็นมันต้องตายนี่จะกลัวทําไมเนี่ยเพิ่นวันแต่เข า, กก า, กกา เ, เป็นกลัวตายบกบัวทั้งเกิดเนี่ยเป็นการเกิดทอง มาจากพองแม่นั่นไข่จะมู้เกิดฮักเกิดต่างนี้บโบยากหู้จักจิตใจเป็นเป็นการเกิดมีหลายย่างที่จะเล่าให้ฟังนี่คนเกิดมาแล้วเป็นคนแค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนพอเกิดกับคนมันก็ต้องเป็นคนที่แตะที่มันเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าบางทีเกิดเป็นคนแค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนก็จรใจอาจจะเป็นเตะเป็นที เป็นศิลศาสตร์เป็นสัลยโลกก็ไดได้ดครับยากโยมก็คือกันถ้าทรงองค์เจ้าก็คือกันเนี่ยใครบูญจักถ้าบุจักอันนี้เราก็ขาดคืนแล้วเอาเฮามาเกิดตึงคนเนี่ยหมายถึงคือเฮามาค้าขายนั่นแหละคนได้ค้าขายเกินก็ได้กำไรคนได้ค้าขายบุเป็นก็ขาดทุนคนคนเนี่ยไม่ไผ่ใส่ซื้อให้หมาเด่นดั้งเดือบูบุญจัก ตนซื้อว่าคนจริงๆมันมีดีมันมีตัวบ้านเขาเลยบอกคนไปว่าควรคนไปว่าโซเลเมื่อพูดกันแล้วบุรุษเรื่องกันแล้วเจ้ากล่ว่าเขาเป็นบ้าเขากลว่าเจ้าเป็นบ้าเจ้าเป็นไอ้บ้าคนมาจริงแต่ตำลักวันนั้นเขาเคยว้ากันอยู่แต่เขาบุรู้ษจักคําว่าคนนี่หมายถึงจิตใจผู้เดียวกับว่าอยู่ น, ยนี่เนี่ยที่อยาา่างภาวาอยู่ยนี่เนี่ย หมายถึงจิตใจที่มันคิดมีคิดตัวพวกนี้มันผสมประสานปนเปนกันอยู่ไหนมี้หมคนเนี่ยมันเป็นูตัวกลางเมืออกับทางที่แพงทางที่แย่ให้วันเดียวไปเราจะแยกไปเบื้งซายเบื้องขวาไปที่ตะบนตุ่ที่ตะวันออกก็ได้ทำมาอยู่ตรงกลางนั้นคทาคนนี่ว่าทําให้เป็นคนก็ได้ทําคนให้เป็นคนทําคนให้เป็นมนุษย์ก็ได้ ทำคนให้เป็นเทวดาก็ได้ทำคนให้เป็นพระอินทรพระพมก็ได้ทำคนที่สุดเป็นพระเดียวก็ได้เขาเรียกว่าคนกจิตใจไม่ได้คนวันนี้คำว่าคนเนี่ยทำเอาคนนั่นน่ะไปเป็นเทพไปเป็นเปรตก็ได้ทำเอาคนนั่นน่ะไปเป็นพีก็ได้ทำเอาคนนั่นน่ะไปเป็นสัตว์นรกก็ได้ทำเอาคนนั่นน่ะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ ทำเอาคนท่านะไปเป็นอสุรกายก็ได้นี่เป็นื่องนั้นยงว่าเมื่อกลับมาคาถ้าหากไม่รู้จักความเป็นคนแล้วเราจะรู้ได้ทำไมเราจะมองเห็นกระเทนหน้าตาแข่ขามือเท้าเท่านั้นมันน้อยเกินไปบวสมกับเขามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจเอาไว้แต่เดี๋ยวนี้นี่เราบทของเ้าจะ ต, ต้องคิดเอาไว้ ในขณะมังโก้ขึ้นมาเขาโบเห็นจิตโบเห็นใจเขาได้ห 5-5 เขาเห็นจิตเห็นใจเข า, า, า, าอยู่แล้วบโกพ่อจิตใจทุกคนมันเป็นปกติอยู่แล้วอันที่ผิดปกติไป น, นั่นแหละคนว่างโบซัวก็ดีแหละผิดปกติไปแล้วแต่หักมีอันซัวมากดังนั้นที่ผมนํามาเล่าให้ฟังทุกคนทําได้ผู้หญิงก็เป็นคือกันผู้ชายก็เป็นคือกัน ผู้น้อยผู้ใหญ่เปน็นกันมืดพระสงองค์เจ้าก็เป็นคือกันมืดเรื่องจิตใจเนี่ยแต่รูปกายแท้โบกกันผู้ต่ําผู้ข่าวผู้สูงผู้ดําบกกันเองเพศหญิงเพศชายบคือกันเองแต่เรื่องจิตใจคือกันมืดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึางวัดตัดสรู้เพราะการทําทางจิตทางใจเป็นวะเพราะเพื่อนพย า, ยาเบิ้งจิตเบื้องใจของเพื่นคนเราเนี่ยเมื่อบุหัวจักจิตใจนึกคิด บูฮู้จิตใจบูฮู้จักจิตใจเราเนี่ยมีตัวอย่จำไหนแล้วก็แสดงว่าเขาเนีเป็นคนยู้ยังบรื่อเลื่อนสั่นตัวเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้เลื่อนสั่นขึ้นไปเป็นลําดับลําดับขึ้นไปคนเป็นคนเกิดมาเป็นคนแทงขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจจะเป็นคนมันขอเลือกเป็นคนทําไมจึงฮู้จักเน ถ้า ก, กูพูดจับไม่คเลือกคัดจักหาที่คนได้ที่จริาจักก็เพราะทาลมรู้สึกตัวนี้เองลิกมือขึ้นรู้สึกตัวพุ่มมือลองรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตั ว, วกมุมเงยเอียงกายเอียงขัวรู้สึกตัวจิตใจมันนึกมันคิดก็รู้สิเหมือนแบบนี้มันคิดยังไงเขาจะพูดจักโอ้ชิดเป็นคนไม่สมัยแต่ว่าคนเนี่ยต้องเป็นปกติ บดีโบตัวบัดนี้มุกเป็นคนสุบูรณ์แล้วบัดนี้เขาก็เลื่อนสันขึ้นไปเป็นมนุษย์บัดนี้มันค่อยเลื่อนขึ้นไปเขาบอเห็นมนุษย์กับคนเนะี่ยหน้าตาแค้งขามือเท่ากันแค่ใจบวกแต่อนเดียวกันมนุษย์พลังเป็นผู้มีจิตใจสูงหักห้ามจิตใจไว้ได้น้เนี่ยเขาก็ได้นอ ย, อยู่มันค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น เมืความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วแบบนี้ความเป็นเทวดานี่ยค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเข้ามาพอพอเจนสมบูรณ์แล้วความเป็นเทวดาก็สมบูรณ์ขึ้นมาเลยตันนี้ความเป็นเทวดาสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วแบบนี้ความเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาจนมันสมบูรณ์ในวันต่สติปัญญาสมบูรณ์แล้วเมื่อสติปัญญาสมบูรณ์เป็น ถ้าอินแล้วรวมเป็นพระเดียบุคคลคนเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาคำว่าเลื่อนเข้ามาเขาบ่มเห็นเลยความรู้จักจิตใจนั่นแหละมันที่มันเป็นขันมันเป็นกุ้มเป็นก้อนเข้ามาเรียกว่าขันกับว่าไดที่ว่าจะไหนก็ได้มันเป็นเรื่องสมกบุตรเมื่อความเป็นอันเนี้ยบุคคลศุกร์บแล้วอันนั้นแหละคนเป็นพระเป็นพระทางจิตใจ ถ้าหาเขารู้ของเหตุยังสิของสีว่าอย่างไหนกระทุกเช่นเพ้นว่าปฐมมาสารทุตินาณสารศาสติญาณจัตุธาสาลปัญจ า, ามาสารปฐมมาสานเพราะว่ามีองค์ห้าทุติญาณสารมีองค์สี่องค์สามองค์สองและเจตพิจิวาไปเนี่ยตำลาได้นี่ยตำรานี้ให้เขาเข้าใจตำราจริงเมื่อโมเป็ยังสิมันไปข้างต่ํำจิตใจมันคิด เขาบูรู่เขาบ่วเห็นมันโก้ดมันเครียดมันสั่งออาไปแล้วได้แบบนี้ทําให้คนเป็นเทศเป็นพี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกไปแล้วได้แบบนี้มุดโอมเป็นคนแล้วบ่อยนี่แหละสัจธรรมเป็นของจริงจะรู้ก็เป็นอย่างตันบูรู่ก็เป็นอย่างตันอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงดังนั้นจึงว่าควรศึกษาควรปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเหจริงการศึกษาก็บ่ริษศึกษาจากตำรับตำลางบริษศึกษาจากปู่อาจารย์ศึกษากับตัวเขาเขารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเขาเคยสวดกันสังฆูนสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าทรงสาวกของพระพุทธภพเจ้านั้นมูไถ่ปฏิบัติดีแล้ว คือคนปฏิบัติดีคน น, นี้เป็นพระบวกเป็นรูปกายนี้เป็นอกนรูปกายนี้เป็นเป็นสมมุติให้เข้าใจนอุจุ ป, ปฏิปัโนภควาโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระพุทภาคเจ้านั้นหมไดปฏิบัติตรงแล้วยายยปฏิปัโนภควาโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระพุทธภาคเจ้านั้นหมู่ไดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว ออกจากทุกดายคนนีครับเพื่อนว่าวิมุตเตวกลมดุพนคนนี้ครับให้เราเข้าใจข่าวิมุตเตวกลมุุพนในเตวออกจากทุกดายสัมนคนคนคนมีนนออจมีปฏีปโนภะคะวาโตสาวะสังโฆสงสาวกของพระวิภาคจะนะ บ, บุเดปฏิบัติสมควรแลว้วยทติทางคือใครเป็นคว่าคือผู้ใดแดปฏิบัติยังเสียเป็ว่าดังนั้น เข้ามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริ ญ, ร ญ, ร ญ, รญปัญญาที่ทับไม่ปวดนี่ต้องว่าแต่เรื่องนี้นี่ความจริงแท่ความจริงบทหนึ่งที่ผมประสบหรือผมได้จึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติมาจะนำมาล้อยหลังทุกคนนี่ไม่คนหนึ่ ง, งเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนที่สุดคนตายสองพูดสันส้น สิ่งที่เฮาจี้ปะจจุ้อนที่เฮาจะบกุกรวมหายใจนี่ครับสึ่งนั้นต้องปรากฏก่อนเมื่อสิ่งนั้นว่ปรากฏแล้วเฮาจีบุกหุจักเฮาจีบุกหุจักเฮาจีไปด้วยคมมืดเฮาจีไปด้วยคมเห็นแจ้งถ้าที่ไปด้วยคมเห็นแจ้งนั้นอย่าเกลียดขาดอย่าท้อถอยต้องทําผมรู้สึกตัวให้มากๆ ถ้าหากผู้ได้เจียนคานผู้ไดท่อถอยแล้วออนแอแล้วจะไม่ทันได้รู้จะไม่ทันได้เห็นแต่แก็ต้องประสบนี่นทัศน์จะเพื่อของจริงแท้จะหมดลมหายใจแต่เขาเคยว่ากันเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าคนได้มีกีเลศตายแล้วเกิดตืมพลันคนได้บ่มมีชิเลศตายแล้วบ่เกิดตืมไปนิพพานพันเขาบ่าเขาจ เขาบอกเข้าใจเพราะว่าเขาบกบ่มีเี่แต่มันมีสิ่งนั้นบทหันปรากฏสิ่งนั้นบทหันแสดงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏสิ่งนั้นสดแสดงออกมาแล้วเขารูเ้เองเจ็บเอ ง, เ, องเขาใจเองคนนเพิ่นว่าวิราขะขวมเบื่อหน่ายขายกำนัลเขาเว้าซื่อได้มุนต่อเมื่อเขาหุดยักกูเด้มันจะเป็นวิลาขะเท่ๆได้ครับ อันเฮาวาวีาว่ราคาโอ้มันบาวซื้งๆได้ครับบวมเบื่อหน้าขายกันมันมันบวเบือ่อมันจะเบือ่อยังไงเมื่อเขาเห็นเขาเป็นเขามีเขารู้แล้วเนี่ยนี่แหละนี่ระคาบวบเบื่อหน้าขายกันหนักจริงๆผมก็เลยเปรียบเอาไว้อย่างที่เฮาว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวอาการเกิดจับอันนี้แต่ทุกคนทุกคนตัจริงผมเลยสมมุติให้เอาเสื้อไหนร่อนเขานี่ มัดเสานั้นเสานีหรือหลักนั้นหลักนี้มัดเข็งแขงตึงตึงนตัดตรงกลางปักขา ด, ดแล้วปุ๊บมันสเสด็จเขามันจะทอนเข้าอกหลักของไรพ ม, มันที่เป็นอังนั้นแหละมันจะเข้าสู้สภาพของมันนะจ๊ะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครางเดียวนะครับผมพระพุทธเจ้าโบยเหาวขึ้นจะเถืเ่อน่าสองข้อมือตามเดิมเหมืนกัน โมเสสได้บวชเปพนมในศิสาได้ครับพระพุทธเจ้าตัดเสื้อมันขาดแต่โบได้ตัดมันดอกมันเป็นเองนี่แหละจึงจะหู่จักรวาลหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมันจะมารวมอยู่จุดนี้ถ้าหักเขาโบาได้มารวมจุดนี้แล้วเรีอว่าเขายัางโบลูความหมายการเจริญสติการจเจริญสมาธิการจเจริญปัญญานั้นที่สงใสัครับถ้ า, ามาถึงจุดนี้แล้ว บ่มีความกครองบ่มีความสงสัยเพิ่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์รอยบ้างคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็าตายถ้าหากบาร่รู้บ่เห็นบ่เข้าใจสภาพหภาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตของครูฮันเป็นหมืนกันบัดนี้บุคคลพี่เกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับ ชีวิตของผู้ท่านมีค่ามีราคามีประโยชน์ตัวบุคคลผู้เกิดมาหลายปีเป็นวันบัดนี้ว่าทางบวชบัด น, นี้คนนึงบวชมาตั้งแต่ในน้อยร้อยพรรษาถ้าหากอย่างบุคเข้าใจโบดได้รู้โบดได้เห็นแต่ภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้การบวชของผู้นั้นกับเป็นโมฆะหรือเป็นมันเปน็นวันบบมีค่าเปน็นวันบัดนี้บุคคลผู้บวชมาวันเดียว รู้เห็นสภาพดุภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละมีคามีคุณมีประโยชน์มาขัวผู้บวชร้อยพัรษาคนพันวัจริงวะให้เราศึกษาจริงๆเพราะมันมีบบุญนี่นครับนี่แหละความจริงความจริงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นบ่ได้ผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ตงนั้นผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่งนั้นเขาจะเห็นเพศไดอันนแต่ความจริงที่ผมมาเนี่ ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ต้องตายจริงๆก้อนที่จะตายต้องประสบเรื่องนี้ก้อนอันนี้แหละตัดจ่ที่เปลี่ยนแปลงบมได้เป็นสัดจ่เป็นคนแท้แม้จะรู้ก็เป็นโมลูก็เป็นสมมุติคนที่โมลูเหมนี้เมืออกับไต้เมืออกับเท้าไปกลางคืนไปเดือนมืดจะตนหลักตนตอลงอูลงคลองไปลงอัไนบัด น, นี้คนที่รู้แบบนี้ เมื่อหอาไปกลางแจ้งไปเมื่อสวยเป็นตมเป็นเลนเป็นหลักเป็นต่อเป็นเสี้ยนเป็นน้ำอยู่บ่ใดเขาจะเห็นมัดขาจะย่างไปสบายไปเป็นอย่างไรที่ผมลองให้ฟังเนี่ยเพื่อควมจริงใจสําหรับทัพนิัวเนี่ยจะพูดอย่างนี้เมื่อผมมีชีวิตอยู่สําหรับทัพนิขวนเนี่ยเดือนสิบเอ็ดแหลมหนึ่งคำต้องเปิดอบรมทุกปี เมื่ออบรมแล้วก็ต้องวาอย่างนี้เพราะว่าเรามีอุดมการณ์อย่างนี้เพราะต้องการให้คลรู้ของจริงที่ฟังผลวาเนี่ยเต๋อโบธันเป็นก็ต้องให้จําเอาไว้ผู้ยิ่งกับตามผู้ตายกับตามต้องแน่นอนนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นกุศลแท้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวครับถ้ารู้จุดนี้เราเหมือนฟ้าโขมดิน เหมือนฟ้ากลมดีที่เราให้ทานรักษาศิลทําคนสงบนั่นดีแล้วแต่มันว่าไม่สงบอันนี้สงบอันนี้เพราะว่าวิมุตต์คือคนามบึกพล น, นั่นเองบึกพลแล้วย่อมมีเครื่องสัญญาให้ลดลุดพ้นแล้วนนมีผู้มาตักเตือนวาเก่าวของลถไพรเพิ่มตักเตือนวาเก่าที่ว่าญาณปัญญาก็ได้ที่ว่าตั้นแต่ก็ได้แล้วพร้อมเป็นเรื่องสมมุต ดังนั้นจึงว่าแนะนำกันให้เข้าใจจริงๆริเมื่อเราเข้าใจแล้วการพุทปฏิบัติของเราก็ก้าวหนะ้าถ้าหากคนใดยังอ่อนแอเลอะและอยู่แล้วยากที่จะรู้เรื่องนี้ผมรับรองในตำรับตำลาหลักสูตรนักธรรมสันเอกบอกไว้ว่าผู้ที่จเจริญสติประฐานสี่อย่างถูกต้อง แลให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอเนกทรงสอนประการคนวันหนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันสาตนนี้พบนี้หากว่าได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพบเมสสานนี้นนนต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดคนวัน ถ้าอนาคามนาีนะจะได้มาเกิดในมนุษย์อิมตาส์เดียวจำนวนวันอันนั้นเอาไวก้ก่อนเรื่องต่ำลักันลาแต่ผมว่าเนี่ยเอาให้ทำแบบนี้แหละย่างนานสามปีย่างกลางปีนึงย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่ห น, น, นึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยทุกนั่นจะลดน้อยไปจริงๆที่เฮายาดหอปัวอยู่ซึ่มือเดี๋ยวนี้นี่คือว่าทุกคนอยากได้หักยาน เพิ่นว่าผู้ใดเป็นฆลาวาทญาญโยมปฏิบัติธรรมะนั้นถ้ารู้แจ้งเห็นจริงตามพรมเป็นจริงหรือเป็นพระญาบุคคลนั้นเป็นเทฆลาวาทอยู่บกเกินเจ็ดวันตายแล้วทันคนเลยกลัวเลยโมยผับอันนี้เป็นปัญหาที่ให้เราคิดเอาไว้ผู้นี้อาจจะเป็นการทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้ากับบุคคหนึ่งหรือจะเป็นการส่งเสริมกับบุคัก ผมโบเสือแต่ก้อนผมเสือดี๋ยดิผมบเสือแล้วพวกเราอย่าไปยานยันไรเไผเกินเจ็ดวันตายเนี่ยโบตายวันทิตเ์หอวันจันทร์วันอังคารคุดแผ่ฝุ่เสาตายดิมัดเจ้าหัวจั่วก็ตายดิมัดลู่ธรรมะก็ตายในระวังนี้โบลู่ธรรมะก็ตายระวังนี้นี่จังหวะของจริงมันอยู่ดังนั้นให้พวกเรา เขาอกเข้าใจการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ย่ากลัวกลัวมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลัวมรรคผลนิพพานมันไม่ยืดในเหงาดิเด๊คำว่าวิราคา่ะบอกวีมุติพัน ว, า, นนะว า, าเนี่ยนะวีรคะถือกลัวเบื่อหน่ายผมรูธรรมะที่แรกที่สุดผมเบื่อเลยครับจะอาเจียนออาพูดละเรื่องแท่มากรุดยาดุลากันสายาเป็นเล่นการพ น, นั้นสิ่งสว่วอะไรได้เป๊ะเบื่อหน่ายครับนี่พันวา วิลขะวิมุตคครุณคนเลิกตั้งแต่เมื่อนั้นเจ็ดสอนมูลนี่ครับผมปฏิบัติมาจนเท่าทุกวันนี้นะครับผมบวเสื้อผมเป็นโยมอยู่เขาผมเป็นโยมอยู่สองปีปั่วครับผมรู้ธรรมะอย่างเนี่ยคนจึงกล้าพูดกล้าทำได้เพราะว่ามันเป็นของจริงมีในคนทุกคนถ้าหากมันบ่มีกี่มาสอนให้ยังสอนสิ่งที่มันมีนั่นแหละพระพุทธสอน เรื่องทุกนี่ก็คือทุกสมุทยนิโรดมากพื้นซอนกันแต่เขาบูชาทุกเขาที่ว่าบวกหัวทุกคืออกคนเนี่ยบูชาจักตายจึงว่ากลัวตายเมือ่อบูชาจักตายแล้วจิไใจกลัวมันทําไมตายถ้าเกิดแล้วมันก็ต้องตายสิเฮาอย่างเดียวจะอยากเกิดผมเทวุจักเกิดแล้วนึกว่าจะบอเกิดเพื่ออะไรขันว่าซี่จะหาว่า ผิดแล้วทังเ อ, อมันกับผิดเพ่นในแท้มันผิดเพ่นจนมันคู่กบ